วันที่ห้ามกราคมพุทธศักราช2557ให้คติธ ร, รรมหัวข้อว่าวินยูชนตนิดีกว่าภารชนสรรเสริญคือเราทำงานในงานใหญ่คนเป็นหลายหมื่นเป็นแสนพระเป็นหมื่นแล้วก็คนเป็นแสน ในงานพระราชทานเพลิงศรีระของหลวงปู่จามมหาปุญโญวันนั้นคนเหล่านั้นหรือว่าคณะที่ร่วมงานก็มีหลายละระดับมีทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนพระสงฆ์ตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เป็นศิษยาณุศิตของหลวงปู่จามมหาปุญโญที่มาร่วมงานในวันดังกล่าว หรือว่าก่อนงานหรือว่าตั้งแต่องค์ท่านละสังขารตั้งแต่วันที่ส9เกมกราคมพุทธศักราชสอง6ันห้า้ห้าสิบหแล้วก็ได้พระราชทานเพลิงศรีระสังขารของท่านวันที่ห้ามกราคมพุทธศักราชสองพห้าร้ยห้าสิบเจ็ด ก็เป็นระยะเวลาหนึ่งปีที่ท่านรัสังขารที่ได้เตรียมงานและหลายด้านแต่หลวงพ่อเองก็ครั้งแรกก็ได้เข้าไปดูเห็นว่าท่านจะเก็บสรีระสังขารองคหลวงปู่ไว้ก่อนหลวงพ่อก็ได้กลับออกมาจนออกพรรษาปี2556เอจึงได้ไปเริ่ม เข้าไปดูแลงานองค์หลวงปู่พร้อมกับคณะสิทธิอนุสิทธิทั้งฝ่ายพระและฝ่ายครวดัดก็ได้ดำเนินการตั้งแต่ออกพรรษาจนถึงวันพระราชทานเพลิงก็เป็นเวลานา น, านพอสมควรคนนั้นขณะที่ทำการงานด้วยกันหลายหมู่หลายเหล่าคณะสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงปู่ก็ มีมากหลากหลายทั้งผู้มีความรู้ความสามารถทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ที่เป็นสิทธิอนุสิ์ของหลวงปู่ก็มากแต่ถึงยังไงบางหมู่บางท่านก็ได้มาร่วมงานด้วยกันอย่างดียิ่งแต่บางท่านบางคนก็มีที่ตำหนิบ้างแต่เขามาร่วมงานเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือสิทธิอนุสิต มีหลายระดับในบรรดาจิ์ของหลวงปู่หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่จะทำงานร่วมกันไม่ว่างานอยู่ในระดับไหนถ้าว่าเป็นชุมชนและสังคมที่ทำงานร่วมกันแล้วพวกเราต้องต้องทำใจตัวเองอย่าไปทำใจคนอื่นให้ทำใจตนเอง ให้ดูใจของตนเองว่าการจะทำงานในคราวนี้ครั้งนี้มีความจำเป็นจะต้องหนีไม่ออกแรือหนีไม่พ้นที่จะทำงานเราก็ต้องทําใจรับได้ทุกอย่างทั้งอย่าไปคอยรับแต่สรญเสริญเราต้องคอยรับนินทาด้วยเพราะนั้นในเรื่องนี้ หลวงพ่อก็เลยให้คติธรรมว่าวินยูชนตําหนิดีกว่าคนพานสลสารเสริญวินยูชนก็คือคนดีตําหนิเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขถึงจะดุดาว่ากล่าวอย่างไรเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขในการดําเนินของเราเพราะว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดแนะนําบอกกล่าวถึงจะดุดาว่ากล่าว อย่างไรเราก็พร้อมน้อมรับแต่คนพ่านชั้นเสื่อมบางทีก็บางทีสิ่งที่เราทำไม่ถูกก็นี่ยแะยกยอปอปั้นเพื่อเอาอกเอาใจสำหรับเราแต่ผลที่สุดอีกสักวันหนึ่งพอเราเพียงพ้้มลงไปก็กระโดดขึ้นมาเหยียบย่ำไปเพราะว่าขาดคุณธรรมจิธรรมเพราะว่าเขาเป็น สันดานภาระชนอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆกท่านอย่างที่ลุงพ่อได้กล่าวว่าบินยูชนตำหนิดีกว่าภาระชนสรรเสริญเพราะนั้นงานขององค์หลวงปู่ของเราที่ดำเนินงานมาก็เป็นที่เรียบร้อยราบรื่นตามสายตาของ คู่คนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องแต่ถุงพ่อเองในฐานะหลานของหลวงปู่ก็น้อมรับในการตาหนิไม่ใช่น้อมรับในสรรเสริญ น, น้อมรับในการตาหนิของทุกๆท่านแล้วก็จะปรับปรุงแก้ไขถึงอย่างงานจะผ่านไปแล้วก็ตามก็ต้องมามองตนเองอีกเหมือนกันว่าที่เขาตาหนินั้นเรา ม, มีความ เป็นไปได้อย่างไรมักใหญ่ไฟสูงอย่างไรมีการทะเยอทยานอย่างไรเราต้องการอะไรเรามุ่งหวังอะไรในงานของหลวงปู่หรือว่าเรามีเจตนาอย่างไรก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองเพราะนั้นงานที่ผ่านไปแล้วหลวงพ่อเองกลับผมเองขอขอบ เพราะคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานทุกระดับทางฝ่ายปกครองและฝ่ายพระป่าพระตูดงกรรมฐานและการฝ่ายคณะสัตยาญาติโยมทุกระดับที่มาร่วมงานในวันพระราชทานเพลิงศรีระขององค์หลวงปู่กระผมเองขออภัยต่อสิ่งที่มันขาดตกบกพร่องแล้วก็ ขออภัยต่อขัะธ์ทธายาจมทุกหมเหล่าที่ทำสิ่งใดก็ตามที่ทำออกไปแล้วมันผิดพลาดหรือไม่สบายใจกับผู้ใดใครผู้หนึ่งที่ทำให้ไม่สบายใจก็อาตมาเองหรื อ, รอกระผมเองขออภัยในการขัดต ก, กปกพวกนั้นแต่เจตนาที่จะทำร้ายทำลายดูถูกเกียดหยาม ก็ได้มองตนเองอยู่เสมอว่าไม่เคยมีที่จะดูถูกเจียดยามเพราะคิดว่าอีกสักวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ไม่รู้จะดูถูกเจียดยามไปเพื่ออะไ ร, รคิดว่าอีกไม่กี่วันชีวิตของเราก็จะหาไม่จะตายอยู่แล้วพูดง่ายๆเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าจะมุ่งหวังอะไรไม่รู้จะดูถูกเจียดยามกับเรื่องอะไรมีแต่ว่าสิ่งไหนที่ดีคิดดีทาดีพูดดีดีที่สุด ในเรื่องนั้นๆเราก็พยายามทำจุดนั้นให้ดีที่สุดเพราะนั้นขอฝากไว้กับผู้ที่ได้ยินได้ฟังเอ็มพีสามขององค์หลวงปู่จามแผ่นที่หนึ่งและแผ่นที่สองนี้ด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลคุ้มครองด้วยบุญบารมีของหลวงปู่จาม ที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยดีตลอดมาทั้งอดีตชาติจนถึงปัจจุบันบุญบารมีของท่านขอให้คุ้มครองคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมกอ็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเทอญ